ปฏิบัติที่สุดโตรงสองสายพระพุทธองค์ทรงคัดค้านการปฏิบัติที่สุดโตรงสองสายที่ชาวอินเดียในสมัยนั้นคิดว่าเป็นทางหลุดพ้นและทรงประกาศจุดยืนของพระองค์ว่าเป็นทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาดังข้อความว่าภิกษุทั้งหลายการปฏิบัติที่สุดตรงสองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรข้องเกี่ยว คำว่าพิกเวภิกษุทั้งหลายเป็นคำเรียกให้ผู้ฟังตั้งใจฟังคำที่จะกล่าวต่อไปตามหลักภาษาบาลีว่าอลปันะคือคำร้องเรียกในเบื้องแรกพระปัญจวัคคียังไม่ใช่ภิกษุผู้บวชในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นแต่เพียงนักบวชที่ออกบวชตามพระโพธิสัตว์ ที่เสด็จออกผนวดเหมือนพระมหากษัะที่ออกบวชเองโดยอุทิศถึงพระาศาสดาเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่ใช่นักบวชปริภาชกหรือดาบดในาศาสนาอื่นที่มักทาตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกว่าภิกษุในวงเล็บผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร คำว่าอันตาในคำพีอธกถาแสดงคำแปลว่าส่วนโกทาสะหรือภาคแต่เมื่อเทียบเคียงกับคำว่ามัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางก็ควรแปลว่าที่สุดตรงจะชัดเจนมากกว่าหรือมิฉะนั้นคำว่าส่วนก็ควรหมายถึงส่วนที่อยู่ปลายสุด ทั้งสองข้างไม่ใช่ส่วนทั่วๆไปก็ชัดเจนเหมือนกันพระพุทธองค์ทรงแสดงที่สุดโตรงทั้งสองอย่างว่าการปฏิบัติที่สุดโตรงสองอย่างนั้นคืออะไรคือความเพลิดเพลินยินดีในกามคุณเป็นสิ่งสามเป็นของชาวบ้านเป็นของส่วนใหญ่ไม่ใช่ของพระอริยะหาประโยชน์ไม่ได้ และการเบียดเบียนตนให้ลำบากเป็นทุกข์มิใช่ของพระอริยะหาประโยชน์มิได้เมื่อเราเพลิดเพลินยินดีในกามสุขเราก็จะพยายามสแสวงหาให้ตนได้รับอยู่เสมอการสแสวงหาเช่นนี้เป็นการปฏิบัติที่สุดตรงอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากามสุขะลิกานุโยกเป็นของสามเป็นของชาวบ้าน ไม่มีประโยชน์บรรพชิตผู้สละชีวิตแบบชาวโลกแล้วไม่ควรปฏิบัติแม้การทรมานตนให้เจ็บปวดและลำบากเช่นการอดข้าวการอดอาหารเปลื่อกายที่เรียกว่าอัตกิลมัฐานุโยกก็ให้ผลเป็นทุกขเวทนาเท่านั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ควรสแสวงหาเป็นการปฏิบัติที่สุดตรงอีกอย่างหนึ่ง ที่บรรพชิตควรหลีเกเลี่ยงเหตุที่นักบวชไม่ควรข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติที่สุดต่งสองอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้ที่สละชีวิตแบบชาวโลกเพื่อขัดเกลากิเลสอันเศร้าหมองคือความโลภและความโกรธนั้นไม่อาจสำเร็จธรรมที่ปรารถนาได้เมื่อยังผัวพันอยู่กับการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เพราะความเพลิดเพลินยินดีในกามสุข และทำให้ความอยากเพิ่มพูนขึ้นและการทรมานตนให้เจ็บปวดลำบากก็จะทำให้เกิดความโกรธสะสมอยู่ในใจการสุขลิการุโยกกามาคุณหรืออารมณ์ที่น่าปร า, านานั้นประกอบด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อย และสัมผัสที่นุ่มนวลที่จริงแล้วกรรมคุณนั้นหมายรวมเอาวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตซึ่งชาวโลกเห็นว่าน่าชื่นชมยินดีความเพลิดเพลินยินดีในกรรมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าปรารถนาจึงชื่อว่าการมสุขลิกานุโยก การเพลิดเพลินกับรูปที่น่าดูจัดเป็นการแสวงหากามสุขอย่างหนึ่งรูปที่สวยงามน่าดูไม่ได้หมายเอาเฉพาะรูปที่เห็นทางตาเท่านั้นแต่หมายรวมถึงสิ่งของที่ทำให้เกิดรูปนั้นด้วยและในทานองเดียวกันเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยและสัมผัสที่น่าพอใจก็ยังหมายรวมถึงสิ่งที่ทาให้เกิดเสียง กลิ่นรสและสัมผัสด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นเมื่อเราคิดถึงรถที่อร่อยเราก็ไม่ได้นึกถึงเพียงกับข้าวขนมผลไม้หรือของขบเคี้ยวเท่านั้นแต่รวมถึงแม่ครัวและคนที่ยกอาหารมาเสิร์ฟด้วย กามสุขนอกจากจะหมายถึงการครบหากับเพศตรงข้ามอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปแล้วก็ยังหมายถึงการเห็นรูปสวยได้ยินเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมลิ้มรสอร่อยถูกปากและสัมผัสอันอ่อนนุ่มอีกด้วย คามสุขเป็นสิ่งสามการเพลิดเพลินติดใจในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งสามเพราะทำให้กิเลส ย, ย่างอยากเพิ่มพูนขึ้นมาเช่นเกิดความยินดีพอใจในวงเล็บกามตัณหาความเย่อหยิ่งลำพองในวงเล็บมานะความตรหนีห่วงแหนในวงเล็บมัชฌริยะไม่อยากแบ่งปันทรัพย์สิ่งของให้คนอื่นโดยคิดว่า ตนเองสมควรจะได้รับสิ่งที่น่าปรารถนายิ่งกว่าใครๆต่อมาก็เกิดความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้รับสิ่งที่น่าชอบใจในวงเล็บอิจฉาบางครั้งก็เกิดความไม่พอใจหากมีใครมาขัดขวางหรือแย่งชิงไปในวงเล็บโทสะผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสะสมทรัพย์สมบัติ ก็มักจะโลภอยากได้มากขึ้นและทำทุกทางที่ให้ได้มาโดยไม่กลัวหรือละอายว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดทำนองครองธรรมหรือไม่ในวงเล็บอะิฮริกะและอโนตตับปะเขาก็จะหลงผิดหลอกตนเองว่าเป็นความสุขเป็นความเจริญก้าวหน้าทางโลกคือโมหะผู้ที่เป็นปุตุชนที่ยังหนาด้วยกิเลส และอาจจะมีความเห็นผิดยึดมั่นในอัตราตัวตนหรือเห็นว่ากรรมที่ทำไปไม่มีผลในวงเล็บทิฏฐิสิ่งเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเพลิดเพลินในกรรมคุณอารมณ์เป็นต้นเหตุจึงกล่าวว่าเพลิดเพลินในกรรมคุณเป็นสิ่งสามยิ่งไปกว่านั้นการปล่อยตามใจตัวเองในการหาความสุขจากกรรมะคุณอารมณ์ เป็นวิสัยของสัตว์ในทุกขติเช่นสัตว์เดรัจฉานและเปรตเป็นต้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ชอบสิ่งที่ตนเห็นว่าดีงามและอยากรู้สึกเป็นสุขเหมือนมนุษย์ทั่วไปความรู้สึกของสัตว์ที่สามที่ต้องการกามสุขจึงเหมือนกับความรู้สึกของมนุษย์ดังนั้นนักบวชผู้ดํารงชีวิตอย่างประเสริฐ จึงไม่ควรลดตัวลงไปยุ่งเกี่ยวกับกามสุขเยี่ยงสัตว์ในภูมิที่ต่ำกว่ากามสุขเป็นของชาวบ้านกามสุขเป็นของชาวบ้านโดยเฉพาะจึงไม่ใช่สิ่งที่นักบวชพึงข้องเกี่ยวโดยทั่วไปชาวบ้านมักชื่นชมยินดีในกามสุขว่าเป็นความสุข ที่ดีเยี่ยมยอดยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งดีพวกเขามักพยายามสแสวงหาสิ่งที่อานวยความสุขเหล่านี้อย่างไม่มีวันพอเพียงในสมัยก่อนพระราชาและเศรษฐีมักสแสวงหาเสพกามสุขเท่าที่ตนต้องการถึงกับทําสงครามรบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงสิ่งที่คิดว่าจะนำสุขมาให้ แม้ในสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกันและไม่ได้จำกัดวงอยู่แต่ผู้มีอำนาจวาสนาหรือเศรษฐีเท่านั้นแม้แต่คนยากจนเข็นใจก็มีเว้นที่จะพยายามอย่างแข็งขันในการที่จะสแสวงหากามสุขเช่นกันเราจะเห็นตัวอย่างได้จากคนในวัยหนุ่มสาวที่มีสัญชาตญาณในการหาคู่ครอง ที่จริงแล้วชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมักจะถือว่าการหาความเพลิดเพลินจากรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั้นเป็นความสุขอย่างสุดยอดในชีวิตทีเดียวในสมัยก่อนพุทธกาลมีบางพวกเชื่อว่ากามสุขเป็นสุขที่เยี่ยมยอดควรเสพในชาตินี้ การเสพกวามสุขเป็นความดับทุกข์ในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานคือนิพพานในปัจจุบันชาติกล่าวอีกในหนึ่งคือลทัทธิจารวักนั่นเองเพราะพวกเขาถือว่าตายแล้วขาดศูนชาติหน้าไม่มีความเห็นดังกล่าวจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งในทิฏฐิ62อย่างที่ตรัสไว้ในปรมารสูตรของทิฆนิกาย ศีลขันธวักดังนั้นบรรณชิตผู้สละชีวิตอย่างชาวโลกออกบวชจึงไม่ควรข้องเกี่ยวกับการแสวงหากามสุขเพราะเหมือนกับการกลับไปสู่การปฏิบัติแบบชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่วิสัยของสมณะชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนักบวชเพราะเชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเสริฐไม่หวนหวกับสิ่งที่เย้ายวนทางโลก พวกเขาสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งหม่มบางครั้งต้องเสียสละสิ่งจำเป็นสาหรับตนเองและครอบครัวพระภิกษุจึงไม่ควรที่จะสแสวงหาความสุขแบบชาวโลกในเมื่ อ, อยังดำรงอยู่ด้วยทานที่ชาวบ้านบริจาคให้นอกจากนั้นการบวชของพระภิกษุ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์อันจะส่งผลให้บรรลุพระนิพพานพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารตามคำขอบวชที่กล่าวปฏิญาณว่าเมื่อพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏเพื่อรู้แจ้งพระนิพพานแต่ผู้ที่ยังเพลิดเพลินในกามสุขเช่นเดียวกับครวาสย่อมไม่อาจหลุดพ้นไปได้พระวิสุิ จึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับการสุขโดยสิ้นเชิงการสุขเป็นของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักใช้ชีวิตให้หมดไปในการหาเลี้ยงชีพและหาความสุขในการมีครอบครัวเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรส และสัมผัสที่น่าปรารถนามีน้อยคนนักที่ได้เข้าถึงธรรมะและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างบรรพชิตเพราะการแสวงหาความสุขแบบชาวบ้านทั่วไปนั้นไม่ใช่การปฏิบัติของพระอริยะเจ้าความเพลิดเพลินในกามสุขจึงเป็นของคนส่วนใหญ่ที่ไร้ปัญญา กามสุขไม่ใช่ของพระอริยะกามสุขไม่ใช่ของพระอริยะคือไม่ใช่ข้อประพฤติของผู้ประเสริฐเพราะไม่ก่อให้เกิดคุณวิเศษใดๆแก่พระอริยผู้ประเสริฐอย่างไรก็ตามพระอริยสาวกผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเช่นนางวิสาขาอนาถบินทิกะเศรษฐีและเท้าสกกะยังยินดีในกามสุขอยู่ เพราะยังไม่ได้กำจัดการมาชันทะให้หมดสิ้นไปจึงสำคัญว่าการสุขหน้ายินดีน่าพอใจด้วยสุขขัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าเป็นสุขถ้าเหล่านั้นจึงยังเสพการสุขอยู่ด้วยสัญญาดังกล่าวเปรียบเหมือนบุคคลทั่วไปที่แม้จะรักความสะอาดแต่ก็ต้องเข้าไปหลบภายอยู่ในหลุมอุจจะระ ที่สกปรกด้วยความกลัวช้างตกมันการสุขหาประโยชน์ไม่ได้การแสวงหาการสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ำทรามและไม่ใช่ของพระอรยะิยนี้ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้ปฏิบัติถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะเห็นว่าการสะสมทรัพ์สมบัติ การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีญาติมิตรที่พร้อมพรั่งเป็นความสําเร็จในชีวิตซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นําประโยชน์สุขที่แท้จริงมาให้เลยประโยชน์สุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสแสวงหาหนทางที่จะเอาชนะความชาราความป่วยไข้และความตาย เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและวิถีทางเดียวที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิและอบรมปัญญาเท่านั้นการสแสวงหากามสุขดังกล่าวไม่สามารถเอาชนะความแก่ความเจ็บและความตายได้ซ้ำยังอาจจะเป็นสาเหตุให้ทำผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์รักขโมย เป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นเป็นต้นการล่วงละเมิดศีลและมัวเมาในการสุขจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาสมาธิและปัญญาทำให้ไม่สามารถรู้แจ้งพระนิพพานได้ผู้ที่ไม่รักษาศีลเมื่อตายแล้วจะตกไปสู่อบายภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน แต่การรักษาศีลอย่างเดียวโดยไม่มีการเจริญสมาธิและปัญญาพร้อมกันไปนั้นก็ไม่สามารถนำไปสู่นิพพานได้เพียงแต่ให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าแต่ก็ยังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายไปได้ดังนั้นภิกษุผู้สละความสุขในทางโลกเพื่อแสวงหาพระนิพพานซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์ จึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหากวามสุขเพราะเป็นสิ่งขัดขวางต่อศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นประโยชน์ตนอย่างแท้จริงกล่าวโดยสรุปกามสุ ข, ขลิการุโยกคือการพัวพันกับกามสุขเป็นสิ่งสามเป็นของชาวบ้านเป็นของส่วนใหญ่ไม่ใช่ของพระอริยะและหาประโยชน์ไม่ได้กล่าวคือ เป็นทางเสื่อมของศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นจึงไม่เหมาะแก่บรรพชิตผู้ประสงค์จะสแสวงหาทางสู่ความไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายอันได้แก่พระนิพพานความเพลิดเพลินในการสุขสำหรับผู้ครองเรือน ในพระสูตรนี้กล่าวว่าการสุขาริการุโยกเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องเกี่ยวจึงอาจจะมีผู้สงสัยว่าผู้ครองเรือนซึ่งยังพวัวพันอยู่ในชีวิตทางโลกนั้นควรจะสแสวงหากามสุขเพียงใดความจริงแล้วการสแสวงหาความสุขในสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวบ้านทั่วไปจึงเป็นไปไม่ได้ ที่จะบังคับให้พวกเขาละทิ้งความสุขเหล่านั้นไปแต่ผู้ครองเรือนที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรมตามหลักมัชฌิมาปฏิปปทาควรหลีกเลี่ยงการสแสวงหากามสุขที่ผิดขลองครองธรรมเช่นควรรักษาศีลโดยการไม่สแสวงหาทรัพย์สินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยหรือหลอกลวง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนอื่นเป็นต้นในปาสาธิกะสูรทีคณิายได้กล่าวถึงการสุ ข, ขลิการุโยกสีประเภทว่าดูก่อนจุนทะคนโง่เคล้าในโลกนี้แสวงหาความร่ำรวยด้วยการฆ่าสัตว์เช่นวัวควายสุกรไกและปลาการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการแสวงหาความสุขอย่างหนึ่ง การลักขโมยและการปล้นชิงทรัพย์เป็นการสแสวงหาความสุขประเภทที่สองการหาเลี้ยงชีพโดยการช่อดชดฉลหลวงเป็นการสแสวงหาความสุขประเภทที่สามและการสแสวงหาความสุขประเภทที่สี่หมายรวมเอาการสแสวงหาความร่ำรวยโดยวิธีที่ผิดศีลธรรมอย่างอื่นในพระสูตรข้างต้นได้กล่าวไว้ว่า คารวะที่รักษาศีล8และศีลสิบจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสุขด้วยการรักษาพรหมจรรย์ลและไม่บริโภคอาหารหลังเที่ยงวันรวมไปถึงการไม่ขับร้องฟ้อนรำคารวะผู้ปฏิบัติธรรมโดยเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาจะต้องละการสุขเช่นเดียวกับพระภิกษุเพราะการสุขเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาศีลสมาธิ และปัญญาอัตกิลมฐ า, านุโยกอัตกิลมถฐานุโยกเป็นทางปฏิบัติที่สุดตรงอีกอย่างหนึ่งด้วยการทรมานตนให้เจ็บปวดไม่ใช่ทางของพระอริยะไม่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมจิตดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การทรมานตนเกิดจากความเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่สุขสบายหรูหราจะทำให้เรายึดติดอยู่กับความสุขทางร่างกายและเพิ่มภูกิเเลสมากขึ้นดังนั้นจึงต้องล้าเว้นการบริโภคอาหารและการปกปิดร่างกายด้วยเสื้อผ้าเพื่อทำลายความพอใจในการสุขให้หมดสิ้นไปและนำมาซึ่งความสุขชั่วนิรันดร เข้าสู่ภาวะที่ไม่มีความชราความป่วยไข้และความตายพระภิกษุใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดความละอายป้องกันความร้อนหนาวและเหลือบยุงแต่ผู้ทรมานตนกลับไม่ปกปิดร่างกายยิ่งกว่านั้นเมื่ออากาศหนาวพวกเขาลงไปแช่ในน้ำเย็นและเมื่ออากาศร้อนก็ยังไปยืนกลางแดด หรือก่อไฟ ร, รอบรอบตัวทั้งสีทิศโดยมีพระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะซึ่งเรียกว่าปัญจาตปะพรษในวงเล็บพลษที่ใช้ความร้อนห้าชนิดพวกเขาไม่นอนบนเตียงแต่นอนบนพื้นดินหรือนอนบนกิ่งไม้มีน้นาบางคนนั่งขัดกระยมงโดยไม่ขยับตัวเป็นวันวันบางคนยืนอย่างเดียว โดยไม่เปลี่ยนเ อ, อริยาบทบางคนผูกขาไว้กับกิ่งไม้ห้อยหัวลงมาและบางคนก็เอาศีรษะยืนต่างเท้าเป็นต้นในขณะที่พระภิกษุฉันอาหารเพื่อบรรเทาความหิวแต่พวกที่ทรมานตนอาจอดอาหารและน้ำเช่นบางคนกินอาหารวันเว้นวันหรือเว้นสองวันบางคนก็อดอาหารทีละสีถึงวัน บางคนอดอาหารถึงสิบห้าวันบางคนกินอาหารเพียงวันละครึ่งคําข้าวบางคนก็กินแต่ผักใบเขียวหรือหญ้าเท่านั้นในคำพีอธิกถาของเอกนิบาตโลมหังสชาดกได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ว่าเมื่อ91อดมหากับมาแล้วพระองค์เสด็จออกบวชเป็นอเจลกะไม่นุ่งผ้า บำเพ็ญทุกรกิริยาในป่าชัดแต่ได้เห็นคตินิมิตที่จะไปเกิดในนรกเมื่อใกล้เสียชีวิตจึงเข้าใจว่าเป็นทางผิดและได้เลิกการบำเพ็ญทุกรกิริยาสุดท้ายได้ไปบังเกิดในเทวโลกอัตตกินลมัฐานุโยกรวมถึงการทรมานตนเพื่อล้างบาป ท, ทุกชนิดดังเช่นการปฏิบัติของสาวกนิครนตบุตร ที่มีมาแต่สมัยก่อนพุทธกาลจึงได้รับความนิยมนับถือกันมากในสมัยนั้นซึ่งเป็นเหตุให้พวกปัญจวคีพากันทอดทิ้งพระโพธิสัตว์เมื่อทรงเลิกการบำเพ็ญทุ ก, กระกิริยาเพราะคิดว่าเมื่อทรงเลิกการบำเพ็ญทุ ก, กระกิริยาก็ไม่อาจตรัสรู้ได้คำสอนของนิครณตบุตรจึงสืบทอดมาให้เห็นจนถึงปัจจุบัน คือศาสนาเชนนั่นเองคำสอนของนิครนนาตบุตรคำสอนของลัทธินิครนกล่าวว่าการหลุดพ้นจากวัตถสงสารมีด้วยการปฏิบัติสองอย่างเท่านั้นคือการสำรวมระวังคือสังวร คือการปิดกั้นเพื่อไม่ให้อารมพายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสผ่านเข้ามาในร่างกายทางทวารต่างๆได้พวกเขาเชื่อว่ารูปที่ปรากฏทางตาเป็นต้นจะกลับไปรวมกับอัตามันในวงเล็บอัตตาเพื่อสร้างกรรมใหม่แล้วก็จะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นการถ่ายถอนกรรมเก่าด้วยการบำเพ็ญทุกระกิริยา ในวงเล็บนิชราพวกเขาเชื่อว่าวิบากของอกุศ ล, ลกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตจะถูกไถ่ถอนให้หมดไปด้วยการทรมานตนอย่างอุกฤษในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปสนทนากับพวกนิครณได้ตรัสถามว่าพวกท่านกล่าวว่าได้บำเพ็ญทุกรกรรกิริยาเพื่อล้างบาปอากุศลที่ได้ทำไว้ในอดีต แต่พวกท่านรู้หรือไม่ว่าได้เคยทําบาปอะไรไว้ในอดีตชาติบ้างเมื่อพวกนิครนตอบว่าไม่ทราบก็ตรัสถามต่อไปว่าพวกท่านทราบหรือไม่ว่าได้ทําบาปไว้มากน้อยเพียงใดและการบําเพ็ญทุกขกลัริยาของท่านได้ล้างบาปไปแล้วเท่าใดยังเหลือบาปอยู่เท่าใดพวกนิครนก็ตอบว่าไม่ทราบอีก พระพุทธองค์จึงทรงอธิบายว่าการบำเพ็ญทุกขร ก, กิริยาโดยไม่ทราบว่าได้ทำบาปอะไรไว้บ้างและได้ล้างบาปไปแล้วเพียงใดนั้นเป็นการกระทาที่เปล่าประโยชน์ผู้ที่ทรมานตนเหล่านั้นต้องเคยทำบาปไว้ามากในชาติก่อนจึงมารับผลกรรมอย่างทุกทรมานในชาตินี้การตรัสสอนอย่างนี้ของพระพุทธองค์มีประโยชน์เพื่อให้พวกนิครณเข้าใจ หนทางที่ถูกต้องอันจะเป็นบารมีแก่พวกเขาต่อไปการบำเพ็ญทุกกรกิริยาของพระโพธิสัตว์ต่างจากการปฏิบัติของลัทธินิครนเพราะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไถ่ถอนบาปที่ทำไว้ในอดีตหากแต่เชื่อว่าจะเป็นหนทางนำไปสู่ปัญญาเพื่อการตรัสรู้แต่เมื่อพระองค์ปฏิบัติไปถึงหกปี ก็ยังไม่ได้บรรลุยานทัศนะแต่อย่างใดจึงทรงเห็นว่าน่าจะเป็นทางปฏิบัติอย่างอื่นที่ดีกว่าจึงได้ทรงเลิกการบำเพ็ญทุกขรกิริยาการบำเพ็ญทุกขรกิริยาเป็นการปฏิบัติที่ให้ผลเป็นความทุกข์ทรมานอย่างเดียวไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่เนื่องจากนักบวชจำนวนมากนิยมนับถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีงาม พระพุทธองค์จึงไม่ได้ประนามว่าเป็นการปฏิบัติที่ตามซามในวงเล็บฮีโนเพื่อที่จะถนอมน้ําใจของนักบวชโดยทั่วไปและเนื่องจากไม่ใช่ข้อประพฤติปฏิบัติของชาวบ้านและคนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ตรัสว่าเป็นของชาวบ้านในวงเล็บคัมโมเป็นของคนส่วนใหญ่ในวงเล็บ โปทุชนิโกแต่ทรงใช้คำว่าเป็นทุกข์มิใช่เป็นของพระอริยะหาประโยชน์ไม่ได้ในวงเล็บทุกโข อ, อนาริโยอนัต t สันหิโตนอกจากนี้การบำเพ็ญอัตกิลมัฐานุโยคไม่เกือกูลต่อการปฏิบัติเพื่อความเจริญในศีลสมาธิและปัญญาแต่อย่างใด และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แม้ในทางโลกและยังอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหากผู้ปฏิบัติจริงจังมากเกินไปจึงกล่าวได้ว่าการทรมานตนนี้ไม่มีประโยชน์อย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์จึงตรัสโทษของการปฏิบัติแบบนี้ว่าเป็นทุกข์มิใช่ของพระอริยะหาประโยชน์มิได้ในวงเล็บทุกโข อ, อนาริโยอนัต ทัศน์ิตโตในประเทศอินเดียสมัยก่อนพุทธกาลคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการบำเพ็ญทุกขการกิริยาเป็นการปฏิบัติที่ประเสริฐสูงส่งน่ายกย่องเพราะจะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายแม้แต่ภิกษุปัญจวัคีก็เคยมีความเชื่อเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงทรงย้ำอย่างหนักแน่นว่าอตตกิลมฐานุโยก หรือการทรมานตนนั้นมีผลเป็นความทุกข์ไม่ใช่การปฏิบัติของพระอริยะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นทางปฏิบัติที่บรรพชิตไม่ควรดำเนินไปพระพุทธองค์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิเสธการบําเพ็ญทุกขระกิริยาอย่างสิ้นเชิงเพราะในขณะนั้นเชื่อกันโดยทั่วไปว่า การทรมานตนจะนำไปสู่ญาณปัญญาขั้นสูงซึ่งจะเป็นความเชื่อของภิกษุปัญจวคีด้วยหากยังไม่ทิ้งความเชื่อที่ผิดผิดนี้พวกเขาก็จะไม่เปิดใจรับหลักปฏิบัติแห่งอริยมรรคมีองค์แปดทางสุดโตรงอย่างแรกคือการสุขคลิกานุโยคเป็นการปล่อยกายปล่อยใจไปตามสบาย จิตที่ไม่มีการควบคุมได้การฝึกสมาธิหรือวิปัสสนาก็มักจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำซึ่งหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาในกามสุขอาตมาเคยได้ยินว่ามีอาจารย์บางคนสอนให้ปฏิบัติโดยการปล่อยใจให้ล่องลอยไปอย่างไร้การควบคุมแต่ธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมป้องกันไว้ตลอดเวลา แม้แต่ในขณะที่กำลังกระทำสมาธิอยู่จิตก็ยังพยายามแล่นไปหาอารมณ์ที่เป็นกามสุขครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากปล่อยจิตให้เป็นอิสระไม่ป้องกันด้วยการทำสมาธิจิตก็จะต้องแล่นไปสู่อารมณ์ที่น่าปรารถนาต่างๆอย่างแน่นอนทางสุดโต่งอย่างที่สองคือ อัตกิลมทฐานุโยกเป็นการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นการอดอาหารไม่ใส่เสื้อผ้าก็เป็นการปฏิบัติที่เข้มงวดบังคับตัวเองจนเกินพอดีจัดเป็นสิ่งที่กลัวหลีกเลี่ยงอีกเช่นกัน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอัตเกลมถานุโยกอาจารย์บางท่านได้เผยแผ่ความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวกับอัตเกลมถานุโยกเช่นกล่าวว่าการบําเพ็ญเพียร เ, เพื่อเจริญสมาธิและวิปัสสนาเป็นการทรมานตนอย่างหนึ่งความเห็นอย่างนี้นั้นจัดเป็นการคัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสารเสริญการปฏิบัติอย่างเด็ดเดียว แ น, แน่แน่แม้จะต้องสละชีวิตและอวัยวะเพื่อแลกกับสมาธิและยานทัศนะก็ตามดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้อธิษฐานจิตอย่างมั่นคงว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลที่สแสวงหาเราก็จะไม่ละความพยายาม ดังนั้นการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพื่อให้เกิดสมาธิและวิปาาัสสนาญาณจึงไม่จัดว่าเป็นอัตเกลมาฐานุโยกแม้การรักษาศีลซึ่งบางครั้งจะทำให้เกิดความลำบากทางกายบ้างก็ไม่จัดว่าเป็นอัตเกลมาฐานุโยกเช่นเด็กวัดหรือสามเณรอาจจะเกิดความหิวโหยบ้างในตอนเย็นเพราะต้องรักษาศีลแดหรือศีลสิบ แต่การงดเว้นการบริโภคในยามวิกาลเป็นการรักษาศีลให้บริบูรณ์จึงไม่ถือว่าเป็นการทรมานตนโดยเปล่าประโยชน์แม้แต่การเล้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ถือเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งสำหรับบางคนเพราะทำให้เขาลําบากหรือเสียผลประโยชน์บางอย่างไป แต่เนื่องจากการรักษาศีลเป็นกุศ ล, ลกรรมซึ่งไม่จัดเป็นอัตกิลมัฐานุโยกในคำพีมูลปัญ น, นาตมหาสมาทานสูตรพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าการเสียสละเช่นนี้เป็นการทำที่จะให้ผลเป็นกุศลวิบากในภายภาคหน้าจึงได้ตรัสว่าบางคนในโลกนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว ทำให้ต้องลำบากทั้งทางกายและทางใจการรักษาศีลของเขาทําให้เขาต้องทนทุกทรมานในปัจจุบันแต่เมื่อตายไปแล้วเขาจะได้ไปบังเกิดในเทวโลกกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้แม้จะก่อให้เกิดความทุกข์ในชาติปัจจุบันแต่จะให้ผลเป็นความสุขในเบื้องหน้าด้วยเหตุดังกล่าวการปฏิบัติที่เกือกูลต่อศีลสมาธิ และปัญญาไม่เป็นของเปล่าประโยชน์ไม่เป็นอัตกิลมัทฐานุโยคแต่เป็นไปตามหลักมัชิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติส่วนการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อศีลสมาธิและปัญญาแต่ก่อให้เกิดความทุกข์เพียงอย่างเดียวก็จัดว่าเป็นอัตกิลมัฐานุโยค ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกำหนดรู้เวทนามีนักปฏิบัติบางคนเห็นว่าการกำหนดรู้ความรู้สึกที่เป็นสุขในวงเล็บสุขเวทนาเป็นการกระทำทางฝ่ายกามสุ ข, ขาลิกานุโยกและการกำหนดรู้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในวงเล็บทุกขเวทนาจัดเป็นการกระทำทางฝ่ายอตตเกลมัฐานุโยกดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการกาหนดรู้ทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาและควรที่จะกำหนดรู้เพียงความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขาเวทนาเท่านั้นแต่ความเห็นนี้ไม่ถูกต้องไม่ได้รับการยืนยันในพระไตรปิฎกแต่อย่างใดพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า ทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาและอุเบกขาวเวทนาเป็นสนภาวะที่ควรจะกำหนดรู้ทั้งสิน้นและยังมีแสดงไว้ในพระสูตรอื่นๆ อ, อีกลายสูตรในทํานองเดียวกันอย่างนี้ว่าควรอย่างเห็นเวทนาทั้งสามอย่างนั้นว่าไม่เที่ยงดังนั้นจึงควรเข้าใจว่าอารมณ์ที่จัดอยู่ในอุปทานคันคือ ขันซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นห้าอย่างอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอารมณ์ที่ควรกำหนดรู้ทั้งหมดนอกจากนี้มีวิปัสสนาจารย์บางคนสอนว่าในขณะที่กำลังเจริญภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิอรยาบทใดก็ตามหากเกิดความรู้สึกที่เจ็บปวดเมื่อย หรือชาตามร่างกายผู้ปฏิบัติควรจะเปลี่ยนอิริยบ ท, ทันทีหากยังฝืนปฏิบัติต่อไปทั้งๆ ท, ที่มีความเจ็บปวดอยู่นั้นจะเป็นการทรมานตนที่จัดเป็นอตกิลมฐานุโยกการที่วิปัสสนาาจารย์สอนเช่นนั้นอาจจะมีเจตนาที่ดีมีความห่วงใยสุขภาพของผู้ปฏิบัติธรรม แต่การสอนเช่นนี้จะเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะผู้ที่จะก้าวหน้าในการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาได้จะต้องฝึกความอดทนที่เรียกว่าขันติสังวรให้เข้มแข็งเสียก่อนสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้ด้วยการยอมอยู่กับความเจ็บปวดไม่สบายด้วยความอดทนผู้ที่เคยปฏิบัติอย่างจริงจังมาแล้วจะรู้ดีว่า การพลิกเปลี่ยนออริยาบทอยู่ตลอดเวลานั้นไม่เกื้อกูลต่อการตั้งมั่นในจิตเลยผู้ที่ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ความไม่สบายกายด้วยความอดทนซึ่งในกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการทรมานตนเพราะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างกายเจ็บปวดทรมานแต่เป็นการเสริมสร้างศีลสมาธิและปัญญาให้เจริญขึ้นตามหลักธรรม คำสอนของพระบรมศาสดาคันติสังวร น, นี้เป็นองค์คุณอย่างหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อทําให้สามารถกําจัดกิเลสได้พระพุทธองค์ย่างได้ส่งสรรเสริญความเพียรพยายามที่มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลด้วยการนั่งคูบันหลังโดยไม่ขยับเขยื่อนร่างกายซึ่งทรงแสดงไว้ในคัมภีร์มลปันนาธ มหาสิงคล l สูตรว่าสารีบุตรภิกษุในศาสนานี้ฉันพัตหาแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติมั่นตั้งใจว่าตราบที่จิตของเรายังไม่พ้นจากอาสวะเราจะไม่เลิกละการนั่งคูบันลังนี้สารีบุตรภิกษุผู้มีความอดทนเช่นนี้พึงยังป่าสาละให้งดงาม สรุปความว่าการปฏิบัติธรรมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาแต่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้เกิดความทุกข์ทรมานจัดเป็นอัตกิลมถฐานุโยกส่วนในทางตรงข้ามความพยายามอย่างแน่วแน่เพื่อให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาแม้จะก่อเกิดความเจ็บปวดทรมานสักเพียงไร ก็ไม่จัดเป็นอัตกิละมถทานุโยคหากแต่เป็นมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันได้แก่อริยมรรมีองค์แปดที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและเป็นการปฏิบัติที่ทำให้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ มัชฌิมาปฏิปทาเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่สุดตรงทั้งสองอย่างนี้ก็จะพบทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเพื่อความสงบกิเลสและการตรัสรู้ดังข้อความว่าภิกษุทั้งหลาย ตถาคตได้ตรัสรู้ทางสายกลางโดยไม่เข้าถึงการปฏิบัติที่สุดโต่งสองอย่างนั้นอันทําให้เกิดจักสุทําให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกตามพุทธประวัติพระโพธิสัตว์ทรงเพลิดเพลินกามสุขลิกานนโยกเป็นเวลา13ปี ตั้งแต่พระชนมายุ16ถึง19พรรษาและเมื่อทรงพนวดก็ได้บำเพ็ญอัตกิลมถทานโยกหปีโดยไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยจึงทรงสรุปว่าการปฏิบัติทั้งสองทางนี้เป็นทางผิดด้วยเหตุนั้นจึงทรงยกเลิกการปฏิบัติที่เป็นอัตกิลมทฐานโยกแล้วกลับมาเสวยพระกยายฐารอีกครั้งหนึ่งเพื่อ จะให้มีกำลังวังชาสามารถเจริญอนาปานสติในวงเล็บสติที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกจนเกิดฌานการเสวยพระกยาหารอย่างมีสติและในปริมาณที่พอดีไม่ถือว่าเป็นการสุขลิกานุโยกและเมื่อไม่อดอาหารก็ไม่จัดเป็นอัตกิลมทฐานุโยก ดังนั้นจึงเป็นมัชชิมาปฏิปทาคือทางปฏิบัติสายกลางเมื่อพระองค์ทรงกลับมีพละงกำลังแล้วจึงได้เจริญสมาธิจนถึงฌานสแล้วใช้ฌานเป็นฐานของสัมมาสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในองค์แปดของอริยมรรคและด้วยสัมมาสมาธินี้เองพระองค์ได้เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ ทรงค้นพบอริยมรรคมีองค์แปดด้วยมัชฌิมาปฏิปทามิใช่ด้วยการสุขคัลลิกานุโยกหรืออัตติลมฐ า, านุโยกเหลีกเลี่ยงการปฏิบัติสุดตรงทั้งสองทางผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องเหลีกเลี่ยงการสุขไปเสียทั้งหมดอย่างสามารถเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสได้หากไม่ทาให้ศีลด่างพร้อย และกิจวัตรบางอย่างเช่นการบริโภคอาหารหรือการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติและเป็นการหลีกเลี่ยงจากการทรมานตนการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ และความจำเป็นในการใช้สอยทุกครั้งหรือมิชนั้นแล้วก็ต้องระลึกรู้ให้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาทุกๆครั้งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสหรือกายกระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆการระลึกรู้เช่นนี้จะทำให้เราไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไปกับอารมณ์ที่น่าปรารถนา เพื่อจะได้ไม่หลงติดอยู่ในกามสุขลิกานุโยกนอกจากนี้การพิจารณาประโยชน์หรือการเจริญวิปัสนาในขณะบริโภคใช้สอยปัจใจสี่ยังช่วยในการพัฒนาสติสมาธิและก็ปัญญาซึ่งเป็นองค์ของอริยมรรคอีกด้วยอุปมาเหมือนกับการกินยาเพื่อช่วยย่อยอาหารที่ย่อยยาก ธรรมดาผู้ป่วยจะต้องระมัดระวังไม่กินอาหารรสจัดหรือย่อยยากแต่ถ้าหักห้ามใจไว้ไม่อยู่แล้วรับประทานอาหารแสลงเข้าไปก็จะต้องรับประทานยาช่วยย่อยการพิจารณาถึงความจําเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่หรือระลึกรู้อารมณ์ของวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเพราะจะช่วยป้องกัน ไม่ให้เราเพลิดเพลินไปกับปัจจัยสี่เหล่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่ระลึกรู้สภาวธรรมปัจจุบันโดยเนื่องด้วยการเห็นรูปเป็นต้นจนกระทั่งรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่มีแก่นสารของสภาวธรรมที่เกิดและดับอยู่เป็นปกติก็จะไม่เกิดการตอบสนองในเชิงลบหรือบวกปราศจากความพอใจในความไม่พอใจ ต่อสิ่งที่พบเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรือการกระทบสัมผัสและถ้าเขาพิจารณาอย่างแยบคายทุกครั้งที่บริโภคอาหารใช้เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคกิเลสก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เขาจะไม่มีความยินดีผูกพันกับปัจจัยสี่ข้อนี้เป็นการปฏิบัติตามแนวมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินไปตามทางสายกลางเช่นนี้แล้วตั้งสติระลึกรู้สภาวะธรรมปัจจุบันที่ปรากฏทางทวารทั้งหกก็จะรู้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงเกิดญาณปัญญารู้แจ้งพระนิพพานดังพระพุทธพจน์ในพระสูตรนี้ว่าทางสายกลางอันทำให้เกิดจักสุ ทำให้เกิดป f, ัญญาในวงเล็บมัชฌิมาปฏิปทาจักขุกรณียานกรณีการพัฒนาจักสุและปัญญาจักสุและปัญญาจะเจริญขึ้นไม่ได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางสายกลาง หรืออริยมรรคมีองค์แปดความจริงแล้วจักสุกับปัญญาหมายถึงสิ่งเดียวกันคือการเห็นแจ้งธรรมะอย่างประจักษ์แจ้งเหมือนมาปรากฏต่อสายตาจริงๆ จ, จักสุและปัญญาจะเจริญไม่ได้ด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปผัวพันกับกามสุขหรือด้วยการทรมานตนให้ลําบากแต่ย่อมเจริญได้ด้วยการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา หรืออรยิยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นกล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องละลึกรู้สภาวะที่แท้จริงของรูปและนามตามความเป็นจริงโดยปราศจากรูปร่างสันฐานที่เป็นสมมติบัญญัติตลอดจนรู้เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีแก่นสารของรูปนามซึ่งเป็นการเห็นแจ้งด้วยตนเอง ไม่ใช่จากการอ่านหรือการฟังจากผู้อื่นจนในที่สุดบรรลุพระนิพพานตามรูปนามโดยสิ้นเชิงพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารผู้ซึ่งปฏิบัติวิปัสนาที่ระลึกรู้รูปนามในปัจจุบันขณะตามความเป็นจริงด้วยการกำหนดรู้สภาวะพองยุคของท้องสภาวะนั่งสภาวะกระทบสัมผัส สภาวะเห็นและสภาวะได้ยินเป็นต้นในเบื้องแรกนั้นสภาวะของรูปนามอาจไม่ปรากฏชัดเพราะต้องรับรู้รูปนามที่ผสมกันไปกับสมมติบัญญัติเหมือนข้าวสารที่ยังไม่ได้ฝัดให้ดีย่อมระคนไปด้วยสิ่งสกปรกอีกทั้งผู้ปฏิบัติก็ไม่อาจแยกแยะความแตกต่างระหว่างรูปคือสภาวะที่ถูกรู้ และนามคือสภาวะรู้โดยเห็นว่าทั้งสองอย่างเป็นสิ่งเดียวกันจนแยกกันไม่ออกแต่เมื่อปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่งแล้วสมาธิเริ่มแนบแน่นอยู่กับรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจิตของนักปฏิบัติย่อมเข้าสู่ความสงบไม่ฟุ้งซ่านแล่นไปหาอารมณ์อื่นเขาย่อมประจักษ์ว่า สภาวะรู้นั้นแากจากสิ่งที่ถูกรู้เป็นคนละอย่างไม่ปะปนกันและกันเช่นสภาวะพองเป็นคนละอย่างกับจิตที่ตามรู้และสภาวะยุบก็เป็นคนละอย่างกับจิตที่รู้นั้นการรู้อย่างนี้ทำให้เข้าใจว่าร่างกายนี้ประกอบได้รูปกับนามเท่านั้นไม่มีอัตตาตัวตนปัญญา ที่รู้เห็นดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงการนึกคิดแต่เป็นการเห็นด้วยประจักษ์เหมือนมองเห็นสิ่งที่มาปรากฏต่อหน้าดังนั้นจึงเรียกปัญญานี้ว่าจักสุหรือญาณเมื่อพลังของสมาธิแก่กล้าขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเข้าใจได้ว่าการเห็นเกิดขึ้นได้เพราะมีตาและรูป การได้ยินมีได้เพราะมีหูและเสียงการคู้เข้าเกิดขึ้นเพราะมีความต้องการจะคู้เข้าการเหยียดออกเกิดขึ้นเพราะมีความต้องการจะเหยียดออกความชอบใจเกิดขึ้นเพราะมีความโง่เขลาไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงความยึดมั่นในวงเล็บอุปทานมีขึ้นได้เพราะมีความชอบใจ และความยึดมั่นนี้เองเป็นเหตุของการกระทําต่างๆที่ก่อให้เกิดผลหรือวิบากที่เป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเมื่อปฏิบัติต่อไปและจิตตั้งมั่นดียิ่งขึ้นผู้ปฏิบัติจะเห็นการเกิดขึ้นแล้วดับไปของอารมณ์ที่ระลึกรู้อยู่เช่นรู้เห็นว่าสภาวะพองเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วจึงดับไป หลังจากนั้นก็เกิดสภาวะยุบแม้สภาวะยุบก็มีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนกันเขาได้รู้เห็นระยะเริ่มต้นกับการสิ้นสุดของสภาวะพองยุบทำให้เข้าใจว่าสภาวะทั้งสองนี้เป็นคนละส่วนกันหรือผู้ที่รู้เห็นว่าสภาวะยกย่างและเหยียบเป็นคนละส่วนกัน โดยรู้เห็นระยะเริ่มกับระยะสุดท้ายของสภาวะเหล่านั้นจัดว่าได้อย่างเห็นลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปขณะเดินในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นประจักษ์ด้วยตาตนเองว่าทุกสิ่งในโลกไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรไม่น่าพอใจบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อปัญญาอย่างเห็นไตรลักษ์แก่กล้าแล้ว เขาก็จะรู้แจ้งพระนิพพานที่ดับรูปนามทั้งหมดด้วยมรรคยานอันเป็นปัญญาสูงสุดปัญญาขั้นสูงนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาท่องจำตารามีอภิธรรมเป็นต้นเมื่อเวลาผ่านไปความรู้จากตาราก็เลือนหายไปจากความทรงจำเพราะเป็นเพียงการจำได้หมายรู้ด้วยสัญญาเท่านั้น ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากการเห็นประจักษ์ถึงสภาวะธรรมด้วยประสบการณ์รงจากการปฏิบัติปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอันเป็นความเข้าใจที่ได้มาจากประสบการณ์โดยตรงนั้นจะค่อยๆอย่างลึกและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องครั้งหนึ่งท่านพระอ น, นุ์ได้ไปเยี่ยมสำนักภิกษุณี มีภิกษุณีรูปหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเธอได้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปความรู้ของเธอค่อยๆลึกซึ้งไปโดยลำดับท่านพระอา น, นุนได้ตอบว่าตามปกติก็เป็นเช่นนั้นต่อมาท่านพระอา น, นุนได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นความจริงอานนภิกษุหรือพิษุณีรูปใดเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เป็นนิดก็หวังผลว่าจะรู้เห็นปัญญาขั้นสูงได้มากขึ้นเรื่อยๆข้อความว่าจะรู้เห็นปัญญาสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นในคำพีอัตถกถาอธิบายความไว้ว่าปัญญาเกิดขึ้นในตอนต้น ย่อมรู้เห็นมหาภูตารูปสี่ธาตุสี่คือธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟและธาตุลมที่ประกอบกันขึ้นในร่างกายก่อนลําดับต่อมาจึงรู้เห็นอุปทายรูปซึ่งเป็นรูปที่ละเอียดขึ้นหลังจากนั้นก็จะรู้เห็นรูปทั้งหมดและตามด้วยการเห็นอีกหลายอย่างการรู้เห็นรูปนามทั้งสองอย่าง การรู้เห็นความเป็นปัจจัยซึ่งการและการของรูปกับนามการรู้เห็นรูปนามพร้อมทั้งเหตุปัจจัยลำดับต่อจากนั้นจะเกิดปัญญาอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีแก่นสารของสิ่งทั้งหลายจะเห็นได้ว่าปัญญาขั้นต้นเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาในขั้นต่อไปจนถึงปัญญาระดับมักคยาน ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรที่จะเจริญสติระลึกรู้กองรูปตามหลักกายานุปั ส, สนาในวงเล็บการตามรู้กองรูปเป็นเบื้องแรกโดยเริ่มจากการตามรู้อิริยาบทต่างๆในขณะเดินยืนนั่งนอนคูเหยียดนั่นเองวายโยธาหรือธาตุลมนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดการคูการเหยียด หรือการเคลื่อนไหวทั้งหลายเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจลักษณะเฉพาะของธาตุทั้งสี่อย่างดีแล้วโดยรู้เห็นว่าธาตุไฟมีสภาวะเบาธาตุลมมีสภาวะผลักดันธาตุน้ำมีสภาวะหนักและธาตุดินมีลักษณะกระทบที่เป็นความแข็งหรือความอ่อนเขาก็สามารถที่จะกำหนดรู้ อุปทยรูปเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นด้วยการกำหนดรู้สภาวะเห็นหรือสภาวะได้ยินว่าเห็นหนอหรือได้ยินหนอเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดรู้รูปธรรมได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะ ก, กำหนดรู้นามธรรมาหรือสภาวะเห็นเป็นต้นได้ในลำดับต่อมา ผู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคำจํากัดความของรูปนามจากตาราอภิธรรมก็อาจจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับอุปทัยรูปเลยโดยไม่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมหาภูตะ ร, รูปทั้งสีหรือเขาอาจจะเรียนเกี่ยวกับนามก่อนจะเรียนเรื่องรูปก็ได้หรือมิฉะนั้นก็อาจจะข้ามไปศึกษาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทหรือไตร ล, ลักษณ์เลยทีเดียวก็ได้ ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าการเริ่มต้นศึกษาความแตกต่างของรูปกับนามในวงเล็บนามรูปปริเฉะทะยานก็ยังนับเป็นเรื่องที่ตื้นขึ้นไปควรข้ามไปเรียนรู้เกี่ยวกับความเกิดดับของรูปนามในวงเล็บคืออุทยพยาญานและการดับของรูปนามคือ ภังขยานเลยทีเดียวจะได้บรรลุเร็วขึ้นแต่การเรียนรู้รูปนามจากตำราโดยเลือกเรียนเอาแต่ตามความพอใจนั้นไม่สามารถก่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญาที่แท้จริงได้เป็นเพียงแค่การจดจำคำอธิบายจากหนังสือซึ่งไม่พัฒนาเป็นปัญญาขั้นสูงได้มากขึ้นเรืเร่อยๆเหมือนที่ภิกษุณีได้กล่าวกับพระอ น, นุน ครั้งหนึ่งได้ยินมาว่ามีสำนักวิปัสสนาชื่อดังแห่งหนึ่งในพมา่าพยายามสอนให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้ญาณขั้นต่างๆด้วยการตรึกตรองตามคำอธิบายในตำราแต่หลังจากได้ศึกษาถึงสังขารุเปกขายานในวงเล็บปัญญารู้เห็นความวางเฉยในสังขารแล้วนักศึกษาก็ยังไม่สามารถ ทำความเข้าใจสภาวะธรรมในอนุโลมญาณโคตรรภูญาณและมัคคยานพร้อมกับผลญาณได้สุดท้ายต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ในวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเพราะการปฏิบัติวิปัสสนาไม่มีการบรรลุโดยวิธีเรียนลัดใคร่ขอย้ำว่าในการปฏิบัติธรรมตามหลักของสติปัฏฐานสี่ และการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดหรือมัชิมาปฏิปทานั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะได้รับปัญญาที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดดังที่ได้ตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่ามัชิมาปฏิปทาทำให้เกิดจักสุทำให้เกิดปัญญาในวงเล็บจักขุกรณียานกกรณี ทางปฏิบัติเพื่อความสงบกิเลสมัชิมาปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติเพื่อความสงบกิเลสในวงเล็บอุปสมายะสังวัตติก่าวคือเป็นเหตุให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองสงบลงได้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติกำลังเจริญอริยมรรคมีองค์8อยู่นั้นกิเลสจะถูกระงับเอาไว้วิปัสสนาญาณจะสยบกิเลสไว้ ได้ชั่วลราวเป็นตทังขปหาณนะและมัคคยานจะทำลายกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเป็นสมุดเชษฐปหาณนะการเสพอารมณ์ที่น่าพอใจต่างๆนั้นไม่สามารถทำลายกิเลสให้หมดไปได้แต่กลับยิ่งยั่วยุให้กิเลสงอกงามขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรายอมพ่ายแพ้ต่อความเย้ายวนของกามสุข ความทยานอยากก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเมื่อได้อย่างหนึ่งมาก็อยากได้อย่างอื่นๆต่อไปอีกไม่รู้จบตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคือพวกคนร่ำรวยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้จักพอยังคิดอยากได้โน่นได้นี่ไปเรื่อยๆจึงพอจะสรุปได้ว่าการเสพกามสุขไม่เกื้อกูลต่อการดับกิเลส มีแต่จะเป็นการเพิ่มกิเลสเท่านั้นในทำนองเดียวกันการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่สามารถดับกิเลสได้เหมือนกันผู้ที่ชื่อว่าความร้อนจัดเย็นจัดหรือการอดอาหารจะทำลายกิเลสได้นั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะการทรมานตนด้วยวิธีดังกล่าวเพียงแต่ทำให้ร่างกายอ่อนระห่วยรอยแรง จนกิเลสไม่สามารถชักจูงได้ชัว่วกราวเท่านั้นเช่นเดียวกับคนที่กำลังป่วยหนักเรียวแรงกำลังถดถอยกิเลสก็นอนส้มอยู่แต่เมื่อไรที่หายจากอาการป่วยมีสุขภาพดีกำลังวังชากลับคืนมากิเลสก็จะตื่นขึ้นมาด้วยดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเลิกทรมานตนร่างกายกลับแข็งแรงเหมือนเดิม กิเลสก็จะฟูขึ้นเช่นแต่ก่อนแม้ในขณะที่กําลังทรมานตนอยู่ถึงกิเลสอย่างหยาบก็ถูกกดข่มไว้กิเลสอย่างละเอียดก็ยังฟูขึ้นในจิตอยู่เช่นความต้องการเป็นสุขพ้นจากทุกทรมานโลภะความเห็นผิดในตัวตนว่าฉันกําลังปฏิบัติอยู่สักยทิฏฐิความทะนงตนว่าไม่มีใครทําได้อย่างฉัน มานะและความยึดมั่นศีลพรสโดยสำคัญว่าการทรมานตนเป็นทางแห่งความหลุดพ้นศีลปะปรามาสเป็นต้นศีลปะปรามาสคือความเชื่อในวดัดปฏิบัติอื่นทั้งหมดนอกจากอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางดำเนินไปสู่การพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาเช่นการถือวัด ประพืชเหมือนวัวโดยเดินสีขากินหญ้าหรือการถือวัดประพฤติเหมือนสุนักโดยเดินสีขากินอุดจระและการเห่าหอนเหมือนสุนัขจัดเป็นทางผิดทั้งนั้นอารมณ์ทุกชนิดที่ปรากฏทางทวารทั้ง6จัดเป็นอุปทานขันห้าซึ่งสรุปได้เป็นสองประเภทคือรูปและนามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขสัต การกำหนดรู้รูปนามเป็นการปฏิบัติตามอริยมรมีองค์8ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เข้าใจอริยศาสตร์ได้อย่างถูกต้องส่วนความเชื่อในการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นจะเป็นการเกียรตขวางอริยมรมีองค์8และไม่ช่วยให้เข้าใจอริยศาสตร์ได้เลยดังนั้นจึงเรียกความเชื่อที่ผิดนี้ว่าศีลปตะปรามาต ในปัจจุบันมีบางคนสอนว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลและเจริญภาวนาเพียงแต่เรียนรู้ลักษณะของรูปนามก็สามารถบรรลุธรรมได้อาตมาคิดว่าความเห็นอย่างนี้ก็ถือเป็นทางปฏิบัติที่ผิดเพราะไม่ประกอบด้วยไตรสิกขาคือศีลสมาธิและวิปัสสนาปัญญาจึงจัดได้ว่าเป็นศีลปตะปรามาสเช่นเดียวกัน ผู้ที่เข้าสู่กระแสนิพพานบรร ล, ลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่เชื่อถือศีลปะตะปรามาศในชาตินี้และจะไม่กลับไปเชื่ออีกแม้แต่ในชาติต่อไปเพราะกิเลสดังกล่าวถูกขจัดได้แล้วด้วยมรรคยานเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่มีแก่นสารของอารมณ์ทุกอย่างที่มากระทบ กิเลสก็ไม่สามารถที่จะแทรกเข้ามาในจิตได้เพราะกิเลสนั้นเกิดจากความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีแก่นสารดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการระงับกิเลสได้ชั่วคราวในวงเล็บตทังขปหานะอุปมาเหมือนแสงสว่างที่ขจัดความมืดได้ตามที่กล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมกักกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ อารมพนานุสัยนั้นถ้าหากไม่มีการรู้เห็นด้วยวิปัสนาที่จะฟุ้งขึ้นมาในจิตได้แต่หากมีวิปัสนาเกิดขึ้นอนุสัยกิเลส ข, ข้อนี้ก็จะถูกทำลายไปบางคนเชื่อว่าการพิจารณาเหตุผลที่ได้รับจากการเล่าเรียนศึกษาในวงเล็บสุตตมัญปัญญาจะก่อให้เกิดวิปัสนาญาณได้หากเป็นเช่นนั้น ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าอารมณนานุใสกิเลสข้อไหนได้ถูกทําลายด้วยวิปัสสนาญาณที่อ้างมานี้ซึ่งเป็นคำถามที่หาคําตอบไม่ได้เพราะไม่มีการกาหนดรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะเล่าเรียนอันที่จริงแล้ววิปัสสนาญาณย่อมกาจัดเฉพาะกิเลสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่กําหนดรู้ซึ่งเป็นอารมณนานุใส ซึ่งอาจได้โอกาสเกิดขึ้นไม่ได้กาจัดกิเลสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ไม่ได้กำหนดรู้เขาก็จะสามารถตอบคำถามข้างต้นได้โดยง่ายแม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะขจัดกิเลสซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ที่กำหนดรู้ได้เพียงชั่วขณะแล้วแต่ก็ยังมีอนุสัยกิเลสอีกลายอยางที่จะต้องใช้มัคขยาน ข, ขจัดเท่านั้น มัคคานนังกล่าวสามารถกำจัดกิเลส ท, ที่นอนเนื่องในกระแสจิตในวงเล็บสันตนานุสัยได้อย่างถาวกรกล่าวคือพระโสดาบันสามารถละสักยทิฏฐิวิจิกิชิชฌาและศีลพตะปรามาตตลอดจนกิเลส ท, ที่จะพาให้ไปเกิดในทุกขติภูมิได้ทั้งหมดพระโสดาบันคือพูดถึงกระแสพระนิพพาน จะไม่ไปเกิดในทุกติภูมิและจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นพระสักทาคามีสามารถละกิเลสอย่างหยาบคือราคะและโทสะพระสักทาคามีคือผู้กลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวจะไปเกิดในสุคติภูมิอันได้แก่มนุษย์เทวดาหรือพรหมพระอนาคามีสามารถละกิเลสอย่างละเอียด คือการมราคะและปฏิคะพระอนาคามีคือผู้ไม่เวียนมาเกิดอีกในกามภูมิจะไปเกิดในพรมโลกชั้นสุทาวาดแล้วปรินิพานในที่นั้นพระอรหันต์สามารถละกิเลส ท, ที่เหลือได้โดยสิ้นเชิงคือรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชา พระอาหารหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสจะไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏสงสารอีกจะเห็นได้ว่าวิปัสนาญาณสามารถละกิเลสได้ชั่วคราวและมัคคยาณสามารถละกิเลสได้อย่างถาวรดังนั้นจึงตรัสว่ามัชิมาปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติเพื่อความสงบกิเลสในวงเล็บอุปสมัยะสังวตติ ทางปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งนอกจากนี้มัชฌิมาปฏิปทายังเป็นทางปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งนี้มีความหมายเหมือนจักสุหรือปัญญาแต่เป็นความรู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งนอกเหนือไปจากความรู้เดิมๆที่เป็นความรู้เรื่องสมมติบัญญัติจึงแยกกล่าวไว้ต่างหาก ความรู้ยิ่งดังกล่าวนี้จัดเป็นวิปัสนาปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจส์4เป็นปัญญาชั้นสูงที่เกิดขึ้นหลังจากวิปัสนาญาณขั้นต้ น, ตนได้เตรียมแผ่วถางทางไว้อย่างดีแล้วที่จริงแล้วในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเราจะกำหนดรู้เฉพาะทุกขศัสตร์คืออุปทา น, นขันหอันได้แก่รูปกับนามเท่านั้น ต่อมาจึงรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปนามเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจความจริงของรูปนามคือไตรลักษณ์เช่นนี้แล้วตัณหาและอุปทานก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้กระบวนการอย่างนี้ชื่อว่าปหานาพิสมัยหมายถึงการรู้จักเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยการละในวงเล็บปหานะ ไม่ใช่ด้วยการทำให้แจ้งในวงเล็บสัจฉิกิริยาในทุกขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติกำหนดรูรปนามเขาจะเป็นอิสระจากอวิชชาที่นำไปสู่ความเห็นผิดเมื่อเป็นอิสระจากอวิชชาแล้วเขาก็จะพ้นจากทุกข์คือสังขารและวิญญาณเป็นต้นอีกด้วยนี้เป็นการดับทุกข์ชั่วคราวที่เรียกว่า ตังคันิโรธด้วยการกําหนดรู้รูปนามตามวิธีของวิปัสนาการกําหนดรู้อารมณ์ทุกครั้งจัดเป็นอารมณ์วิปัสนาญาณให้เกิดขึ้นตามแนวทางสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่าภาวนาพิสมัยคือการรู้จักทางดําเนินไปสู่ความดับทุกข์ด้วยการอบรมจิตวิปัสนาปัญญาไม่ได้เกิดโดยการตรึกตรองในขณะที่กําหนดรู้อารมณ์ แต่ย่อมเกิดขึ้นภายหลังจากการยังรู้ของจิตที่ได้อบรมไว้ดีแล้วการรู้ทุกขศาสตร์ด้วยการตามรู้สภาวธรรมของรูปนามจะทำให้อย่างรู้อริยศัสตร์อีกทั้งสามอย่างที่เหลือไปพร้อมกันได้ทีเดียวกระบวนการนี้เป็นการรู้แจ้งอริยศัสตร์สีด้วยวิปัสสนาปัญญามัชิมาปฏิปทานนี้ เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดวิปัสนาปัญญาก่อนภายหลังต่อมายังเป็นปัใจจัยให้เกิดมรรคยานอีกด้วยเมื่อวิปัสนาปัญญามีกําลังแก่กร้าขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุถึงมรรคยานผลญาณและนิพพานในที่สุดดังนั้นจึงตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติเพื่อความรู้ยิง่ง ในวงเล็บอภิญญายะสังวัตติทางปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งมัชฌิมาปฏิปทายังนำไปสู่การรู้แจ้งแทงตลอดอุปมาเหมือนของที่ถูกซ่อนไว้ต้องทำลายเครื่องเกีดขวางก่อนที่จะเห็นของนั้นได้ อริยศาสตร์สี่เปรียบเหมือนสิ่งของที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชาต่อเมื่อได้เจริญอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาความจริงซึ่งถูกปิดบังไว้ก็จะปรากฏให้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณและมัคคายานอวิชาก็เป็นอันถูกทำลายลงชั่วขณะด้วยวิปัสสนาญาณ และถูกทำลายอย่างถาวร ด, ด้วยมรรคยานดังนั้นจึงตรัสว่ามัชิมาปฏิปทาเป็นทางปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งในวงเล็บสัมโพทยะสังวัตติทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ประการสุดท้ายก็คือมัชชิมาปฏิปทาอันได้แก่อริยมรรคมีองค์8เป็นทางดําเนินสู่ความดับทุกข์คือการรู้แจ้งพระนิพพานโดยผู้ปฏิบัติธรรมจะยังเห็นอริยสัจสี่ด้วยมัคคยานและสามารถรู้แจ้งพระนิพพานด้วยผลยานเนื่องจากพระนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารดังนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสย้ำไว้อีกในที่นี้ว่าเป็นการบรรลุความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่เป็นความดับกองทุกข์คือรูปนามทั้งหมดเมื่อพระอรหันต์ดับขันสิ้นชีวิตแล้วก็จะไม่เวียนมาเกิดอีกจึงถือว่าเป็นการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นในขณะที่อบรมจิตเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงจะสามารถพัฒนาจักสุและปัญญาทำให้ระ ง, งับกิเลสลงได้แล้วก็ทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาและมักคยานที่เป็นความรู้ยิ่งอันรู้แจ้งแทงตลอดกระทั่งสามารถดับทุกข์ทั้งมวลได้ส่วนการปฏิบัติที่สุดตรงทั้งสองสาย คือการสุขิกานุโยคและอัติกิลมทฐานุโยคนั้นไม่อาจทำให้เกิดปัญญาดังกล่าวได้